มีผู้ชายคนหนึ่งนะลูกอายุสองขวบกว่าๆผู้เป็นพ่อเนี่ยก็มีอาชีพกรีดยางนะสวนยางเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านเมื่อสกักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแกก็ออกไปกรีดยางตามปกตินะออกไปแต่เรียกว่าช้ามืดเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง กลับมาถึงบ้านเนี่ยประมาณตีห้าหโมงเพราะบอกว่าไม่เจอลูกตามหาลูกยังไงก็หาไม่เจอเดินไปรอบๆบก็ไม่เจอวี่แววของลูกชายเลยตกใจมากนะเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมันมีสวนยางอยู่รอบๆแล้วก็งูเหี้ยวเขี้ยวขอ นะก็ไม่น้อยแม้จะเป็นภาคอีสานนะบึงการเนี่ยแต่ว่าลักษณะของส่วนยางเนี่ยมันมันจะชื้นสัตว์ไร้ก็มีแถมยังมีบ่อ น, น้ำนะอยู่บริเวณนั้นด้วยตกใจกันมากเลยนะทั้งผู้เป็นพ่อผู้เป็นย่าก็ตามหา ข้าก็ยังไม่เจอสายก็ยังไม่พบจนกระทั่งประมาณส1ดโมงเนี่ยตรงสวนยางห่างจากบ้านของชายคนันประมาณรักสามกิโลก็มีคนไปเจอนะเจอเด็กนะสองสามขวบนี่แหละกำลังอยู่ในบ่ออยู่ริมบ่อ นะซึ่งเป็นบ่อลึกด้วยแล้วก็มีหมาสองตัวอยู่ใกล้ๆตัวหนึ่งก็พยายามที่จะฉุดงับแล้วก็ฉุดเด็กคนนี้ไว้เพื่อไม่ให้ลงไปในบ่อลึกนะผู้หญิงคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็รีบเลยนะรีบดึงตัวเด็กขึ้นมาจากบ่อ แล้วก็ตามหาตามหาพ่อตามหาแม่ซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะแม้ว่าจะอยู่กันไม่ไกลนะไอจุดที่ <c oughs> พบเด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเท่าไหร่จากบ้านของเด็กนะแต่ว่าก็ไม่รู้จัก ต้องให้หน่วยกู้ภัยเนี่ยมาตามหาผู้ปกครองสุดท้ายเนี่ยก็เจอนะพบผู้ปกครองอยู่ห่างประมาณ3กิโลจากบอ่อ น, นั่นพอเราก็ยาของเด็กนี่ดีใจมากเลยนะแล้วก็มารู้ความจริงว่าเนี่ยไอตอนที่เด็กเนี่ยเดินออกไปนอกบ้านเนี่ย หมาสองตัวเนี่ยที่เขาเลี้ยงไว้มันก็ตามไปด้วยที่จริงคนที่เป็นพ่อเนี่ก็แปลกใจนะโหเดินไม่ได้ไงสามกิโลนะสำหรับเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ระยะทางสั้นๆเลยนะเด็กก็เดินไปนะจนกระทั่งไปถึงสวนยางแล้วก็ตรงจุดที่มีบ่อน้ำเด็กคงอยากจะเล่นน้ำแต่หมาเนี่ยที่ตามไปเนี่ย แค่ตามไปตลอดเช้านี้ก็ถือว่าน่าทึ่งเลยนะเพราะหมานี่มันก็น่าจะหิวข้าวนะเวลาให้ข้าวก็คงประมาณเช้านี้แหละแต่หมานี่มันไม่ห่วงข้าวเลยนะมันตามเด็กน้อยซึ่งเป็นลูกเจ้าของเนี่ยตามไปเรื่อยๆมันคงเป็นห่วงนะมันคงรู้นะว่าเนี่ย ถ้าเด็กน้อยไปงี้เรื่อยๆนี่มันคงไม่ดีแน่นก็ตามไปแล้วพอเห็นเด็กเนี่ยลงไปในบึงนี่ไอหมามําก็อีกตัวก็ดึงเอาไว้นะคอยงับแล้วก็ดึงเสื้อนะไม่ให้เด็กเนี่ยถลํมก็ไปในบ่อลึกซึ่งเป็นพอดีกับที่เจ้าของสวนเนี่ยเห็นพอดีนะ นี่ถ้าไม่มีหมานะคอยดึงเอาไว้นี่อาจจะจมไปในบอ่อแล้วก็ได้ก็กลายเป็นว่าหมาสองตัวเนี่ยนะมันช่วยชีวิตนะของเด็กคนเนี้ยวไว้ที่จริงเนี่ยเพียแค่อย่างที่ว่านะแค่เดินเป็นเพื่อนไปกับเด็กเรียะทางสามกิโลนี่มันก็ถือว่า ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะหมายทำได้หนะุ่มมัน ม, มีความรักความซื่อสัตย์นะในตัวเจ้าของรวมทั้งลูกของเจ้าของคงถือเป็นเหมือนเพื่อนนะนะนั่นคงจะเซนได้นะว่าออกไปอย่างเงี้ยเนี้ยนะมันคงไม่ค่อยดีแน่นะเพราะว่าปกติเด็กก็ไม่ค่อยเดินไกลนี่เดินไปเรื่ อ, อยๆก็เลยตามไปคงไป เป็นเพื่อนแล้วก็ไปดูเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ไม่เสียเปล่านะเพราะว่าพอเด็กลงไปในบอ่อหมาลมก็พยายามฉุดดึงขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าหมาเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่มีความรักเจ้าของเดียวนะมันมีความฉลาดแล้วมันก็มีความรู้สึกนะถึงความไม่ปลอดภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับเจ้าของนะโดยเพราะเด็กเล็กๆ เ, เ, เนี่ยเมื่อเ ร, เร็วนี้เนี่ยนะอาจารย์สุรินทร์ก็ส่งคลิปนะเป็นคลิปสั้นๆนะหมาตัวหนึ่งนะเอาซีเชียนมัน้งมันนั่งอยู่ริมถนนใกล้ๆเนี่ยมีฝาท่อมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะ แล้วก็คอยเห่านะเวลาคนเดินผ่านก็เห่าหลายคนก็คงเดินผ่านโดยไม่สนใจแต่เมื่อผู้หญิงคนนึงเอะใจทีแรกไป็นลูกผัวมันก่อนนะเพราะว่าหมามันน่ารักนะมันนั่งมันไม่นั่นั่งอยู่บนฟุตบาทนะมันนั่งอยู่หริมฟุตบาทบนถนนตำแหน่งที่มันนั่งปกติก็ผิดสังเกตอยู่แล้วพอผู้หญิงคนนี้เนี่ยลูกผัวมันมันเห่า ก็เอจใจว่ามันคงจะส่งสัญญาณนะแล้วก็สังเกตว่ามันนั่งเนี่ยอยู่ใกล้ๆท่อน้ําก็เลยลองโชว์ ห, หน้าไปดูท่อน้ำนะตกใจนะเรียกใครต่อใครมาช่วยนะเพิรนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านมาก็ช่วยกันดึงท่อดึงฝาท่อเน่ามาเพราะว่าในท่อเนี่ยเป็นลูกแมวนะไอ้ลูกแมวมันก็อยู่ในนั้นน่ยมันไม่ร้องนะมันไม่ร้องแต่หมาเนี่ย ซึ่งไม่ว่าสัมพันธ์กับรูปแมวตัวนี้แค่ไหนเนี่ยมันรับรู้ได้นะถึงความทุกข์ถึงอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับอแมวตัวนี้แล้วมันก็รู้ว่าเนี่ยมันช่วยได้นะช่วยได้โดยการเรียกคนมาช่วยนะและวิธีการเรียกคนมาช่วยคือเห่านั่นแหละซึ่งบังเอิญก็มีคนที่เกิดผิดสังเกตขึ้นมา แล้วก็รู้ว่าหมาต้องการความช่วยเหลือนะก็เลยช่วยแมวไว้ได้สัตว์อย่างหมาเนี่ยมันรับรู้ได้นะถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะกับไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะกับสัตว์ด้วยคนเวลามีความทุกข์เนี่ยนะมันก็รู้นะมันไวแล้วมันก็พยายามช่วยนะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เขามีการ ให้เช่านะหมาเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าใครเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะเป็นอย่างเช่นเป็นนักศึกษาเนี่ยเครียดมากนะก็เอาหมาไปเลี้ยงแล้วหมานี่ก็ฝึกแมงดีนะเวลาเห็นคนเลี้ยงเนี่ยหรือเจ้าของเนี่ยทำท่าซึมๆเนี่ยนะมันจะเข้าไปหาแล้วเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย คนเลี้ยงเนี่ยเห็นหมามาเงี้ยมันก็ต้องหายซึมแล้วต้องมาพูดคุยต้องมาหยอกล้อกับหมาหรือไม่เช่นั้นหมามันก็อาจจะมามาเคียมาทำอะไรก็ตามเพื่อทำให้เจ้าของเนี่ยมันหลุดจากความคิดความกังวลเป็นวิธีเยียวยาบรรเทาความซึมเศร้านะ เพื่อให้เจ้าของเนี่ยมันได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างไม่ใช่มา น, นั่งเศร้าเจ้าจุกหรือบางรายเนี่ยหมาไม่ได้ฝึกมาแต่ว่ามันก็สังเกตได้เจ้าของนะเวลามีคว า, ามเศร้าเนี่ยเช่นสูญเสียคนรักอกหักเนี่ยมันก็จะมานั่งเป็นเพื่อนนอนเป็นเพื่อ น, นคนเราเนี่ยพอมีใครสักคนหรือหมาสักตัวเป็นเพื่อนนี่นะหรือบางทีเป็นแมวก็ได้รู้สึกดีขึ้นนะ แล้วหมาจำนวนมากเนี่ยก็รู้นะรู้ว่าภาวะอารมณ์ของเจ้าของเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ใช่รู้อย่างเดียวพยายามช่วยเรียกว่ามีความเห็นอกเห็นใจอันนี้พ่อหมาเนี่ยเขาสังเกตคนนะเขาก็สังเกตอากัปกิริยาของคนอย่างละเอียดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแววตาไม่ว่าจะเป็นสีหน้าไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มนะ เขาเห็นละเอียดมากนะเขาจึงรู้ภาวะอารมณ์ของเจ้าของได้อย่างที่คนธรรมดานี่ไม่สังเกตนะคนธรรมดานี่ใช้ความคิดเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกยังไม่ต้องพูดถึงนะทางลิ้นนะแต่หมาเนี่ยนะสัมผัสทางลิ้นก็ดีสัมผัสทางจมูกก็เยี่ยมแล้วก็ไวนะต่อรูปที่เห็นต่ออากับกิริยาของมนุษย์นะ รู้ว่าตอนนี้คนคนนี้เนี่ยอารมณ์เป็นอย่างไรแม้ว่าจะยิ้มแต่ว่าสีหน้าอากับกิริยาสออ่วนมันบอกว่ากําลังเครียดกำลังเศร้ามันรู้ได้นะถ้าเป็นคนก็ถือว่ามีสิกเซนนะแต่ว่าหมานี่มันหรือสัตว์เนี่ยมันก็มีอะไรที่มากกว่า น, นั้นนะและไม่ใช่หมานะสัตว์อื่นก็มีนะแมวก็มีนะที่จริงคนเราก็มีนะถ้าฝึกได้นะมีบางคนก็ไวมากนะเห็นใครเนี่ย แม้จะพูดว่าใช่เนะี่ยเขาก็รู้จริจรนะิงเนี่ยในใจไม่ใช่เขาสังเกตจากแววตาเขาจังสังเกตจากสีหน้าเขาสังเกตจากกล้ามเนื้อบนใบหน้าเนื้อกับกิริยาแต่ว่าความสามารถแบบนี้ของคนเรามันลดน้อยถไปเยอะแล้วนะแต่สัต น, นี่ก็ยังมีอยู่เยอะนะโดยเฉพาะหมาหรือแม้แต่แมวแคนเราจึงหลงลักนะหมาแล้วก็แมวมาก